มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวักเมตานิสังสปัญหาที่สถามว่าอานิสงส์ที่เจริญเมตตาห้ามอันตรายต่างๆเหตุไรสุวรรณสามผู้เจริญเมตตาจึงถูกหญิงเล่า ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคละราชตรัสประภาทถามอัธปัญหาอื่นสืไปว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยยาณปรีชาพาสิตังเจตังพระควตาเมตาพรหมวิหานี้สมเด็จพระผู้มีสุนทรภาคหากตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ยุติด้วยวาระพระบาลีดังนี้ว่า เมตตายาพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายพหูลีกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุธิตายะปริจิตายะสุสมารถายะเอกาทสานิสังสาปาติกังขากะตเมเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทติ ณปาปัก oh oh ังสุปีนางปัสสติมนุษย์สานังปิโยโหติอะมนุษย์สานังป ah ok ิโยโหติเทวตารัขันตินาสักิวาวิสังวาสัทถังวากมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขะวันโนวิปัสสิทติอสัมมุลโโหกาลังกรโรติ อุตริงอปติวิชันโตพระมโลกูปโคโหติดังนี้ใจความว่าพิกเวดูรานะภิกษุทั้งหลายอานิสงฆ์แห่งเมตตาพรหมวิหานี้มีสิบเอ็ดประการโยคาวจรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอาเสวิตายะมาเสบเอาเป็นอารมณ์ด้วยจิตอันเป็นเจโตวิมุต ปรารถนาจะให้สำเร็จในพระนบโลกุตระธรรมพาวิตายะอุตสาหะมาจำเริญภาวนาพระหุลีกตายะกระทำให้มากในสันดานยานีกตายะการทำดุดยวดยานขับขี่วัตถุกตายะกระทำเป็นที่เลือกสวนไร่นาอันจะเลี้ยงชีวิตอนุธิตายะ มีเพียรอันตื่นอยู่ไม่ประมาทบาริจิตายะขนขวายสะสมสุสมารัตายะมีอารมณ์ปรารบคำหนึ่งในสันดานแล้วก็มีคุณานิสงถึงสิบอ็ดประการสุขังสุปฏิคือจะหลับเป็นสุขหนึ่งสุขังปฏิพุทชติจะตื่นอยู่ก็เป็นสุขหนึ่งณปาปกังสุ ป, ปินางปัสสติ มิได้นอนฝันาร้ายหนึ่งมนุษยานังปิโยเป็นที่รักแก่หญิงชายชนทั้งหลายในโลกนี้หนึ่งอมนุษษานางปิโยเป็นที่รักแก่พูดผีทั้งหลายนั้นหนึ่งเทวตารักขันติฝูงเท พ, พดาจะอภิบาลรักษาหนึ่งนาศะอาคิวาวิสังวาสัตังวากามติไฟก็ดียาพิษและพิษอสรพิษก็ดี สัพสัตราวุธก็ดีมิได้ทำอันตรายหนึ่งตุวตังจิตตังสมาธิยติจิตที่รวดเร็วกลับกรอกย่อมตั้งมั่นหนึ่งมุขะวันโนวิปสีทติสีแห่งหน้าย่อมผ่องใสหมดจดหนึ่งอาสำ ม, มุลโหกาลังกรโรติผู้เจริญเมตานั้นเมื่อจะตายก็มีสติไม่ฟั่นเฟือนหนึ่ง อุตริงอปฏิวิชันโตผู้เจริญเมตานั้นเมื่อไม่รู้ยิ่งขึ้นไปก็คงได้บังเกิดในพรหมโลกหนึ่งสิริเป็นคุณานิสงถึงส1อประการสมเด็จพระอนาวรณยานตรัสประธานพระสัทธรรมเทศนาไว้เดิมชะนี้ตุ้มเหพผนธะครันมาเล่าพระผู้เป็นเจ้ากลับว่าหมว่าพระสุวรรณสามบัณฑิตเจ้า เมตตาวิหารีมีปกติจำเริญแด่เมตตาพรหมวิหารมิคะสังเคหิปริวาริโตเนื้อป่าพระหิมพานกับนางกินนอนนงครานเป็นบริวารแวดล้อมอยู่ในไัยสรรประเทศ ร, ราวป่าวันหนึ่งพระสุวรรณสามเสด็จมาตักอุทธกังไปเลี้ยงบิดามารดายังมีพระยายักษ์ตนหนึ่งชื่อว่า กะปิละยักษ์าทิราชแผลงสอนพี่ขาดถูกพระสุวรรณสามบัณฑิตเจ็บปวดปิ่มจะสิ้นชีวิตล้มลงสลบอยู่นี่แหละผู้เป็นเจ้าโยมคิดดูไม่สมพรหมวิหารคือเมตตานี้ถ้าพระสุวรรณสามรักษาแล้วจะต้องสอนพระยายักษ์ใหญ่เล่าด้วยเมตตาพรหมวิหารนั้นมีคุณ ย่อมจะป้องกันเสียมิให้เป็นอันตรายได้อยังปันโโหปริศนานี้เป็นอุพโตโกตินิมนต์พระผู้เป็นเจ้าโปรดวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาเคเษน จ, จึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสมเด็จพระสัพพันยูผู้เลิศโลกธาตมีพระพุทธดีกาประกาศไว้ว่า คุณแห่งเมตตาพรหมวิหารนี้มีสิอดประการคุ้มได้จริงแต่เมื่อพระยายักษยิงเอาพระสุวรรณสามนั้นพระสุวรรณสามยกหม้อน้ําหนักกําลังผ่อนหายใจเผลอไปหาได้จำเริญเมตตาพรหมวิหารไม่จึงต้องสอนไฟหรือพิษและสตราย่อมไม่ทําอันตรายแต่ในขณะที่กําลังจำเริญพรหมวิหารอยู่เท่านั้นมหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารเปรียบดุจโยธาทาหารเอกอันหุ้มเกราะเพชรเสร็จแล้วก็เข้าไปกระทำการมรนรงสงครามกับด้วยข้าศึกมิได้ย่อหย่อนโยธาอื่นยิงลูกศรมามิอาจเข้าติดเกราะเพชรได้เกราะเพชรกันอยู่หาเข้าไม่ฉันใดก็ดีอันว่าเมตตาพรหมวิหารนี้ ก็มีคุณการไว้ดูดเกราะเพชนั้นอันหนึ่งเปรียบบุรุษอันได้รากไม้วิเศษอันจะอาเพศให้หายตัวได้เดินไปในถ้ำกลางประชุมชนบุรุษคนใดคนหนึ่งจะได้เห็นซึ่งบุรุษผู้นั้นหาไม่ได้ฉันใดก็ดีเมตตาพรหมวิหารนี้ถ้าท่านผู้ใดจำเริญอยู่แล้วก็มีพระคุณคุ้มภัยได้ เปรียบเหมือนมารากไม้ทิพวิเศษนั้นอันหนึ่งเล่าเปรียบดุดมหาคูหาถ้ำทองอันใหญ่ถึงมหาเมฆในอากาศจะวิการบันดาลเป็นหาฝนตกลงมาจะได้รั่วไหลเข้าไปในสุวรรณคูหานั้นหามิได้ยะถามีขรุวนาฉันใดเมตตาพรหมวิหาร น, นีใส่ก็มีพระคุณดุดคูหานั้น จะป้องกันเสียซึ่งอันตรายมิให้ถูกต้องกายผู้นั้นเหตุดังนี้บุคคลผู้ใดจำเริญเมตตาพรหมวิหารให้เป็นอารมณ์ถือมั่นผูกจิตให้เป็นนิทนิรันดอนแล้วก็ย่อมจะมีคุณานิสงดุดวิสัชนามาขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิราชพระบาท ได้ทรงฟังก็ซองสาธุการชมปรีชายานแห่งพระนาคเษนในการนั้นพระนาคเษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบบพิษผู้ประเสริฐผู้ใดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในเมตตาภาวนามาจำเริญเมตตาภาวนาจนคุ้นติดวิญญาณประจำใจอยู่แล้วผู้นั้นจะได้อานิสงส์เป็นอันมากนักหนาเพราะฉะนั้น เมตตาภาวนานี้จึงควรที่บุคคลจะจำเริญยิ่งนักขอถวายพระพรเมตตานิสังสะปัญหาเป็นคำรบสี่จบเพียงนี้